บทที่สิบห้าอาณาปานาสติสมาธิในตอนที่แล้วข้าพเจ้าได้ทีบายทึงความหมายของคำว่าสมาธิและวิปั ส, สนาเพื่อให้คนทั่วไปรู้จักเอาเรื่องนี้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการอธิบายก็ใช้ภาษาธรรมดาง่ายๆไม่ได้อธิบายในเชิงตำราโดยตรง เพราะถ้าอธิบายในแง่ของตำราจะต้องมีศัพ์ บ, บาลีมากมายซึ่งแต่ละคำจะต้องอธิบายทั้งนั้นกว่าผู้อ่านจะจับใจความได้ก็จะเสียเวลามากฉะนั้นสำหรับผู้ที่หากยังไม่เข้าใจความหมายของคำทั้งสองนี้โดยละเอียดก็ขอได้โปรดย้อนไปอ่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับในตอนนี้จะอธิบายเรื่องการฝึกสมาธิ โดยวิธีกําหนดลมหายใจเข้าออกซึ่งเรียกว่าอาณาปานาสติสมาธิอาณาปานาสติสมาธิแปลว่าสมาธิที่เกิดจากการใช้สติกําหนดลมหายใจเข้าออกหรือแปลอีกนายหนึ่งว่าสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติที่กําหนดลมหายใจเข้าออกคําว่าอาณาปานะมาจากคาว่าอาณะ ซึ่งแปลว่าลมหายใจเข้าและอปาณาแปลว่าลมหายใจออกอาณากับอปาณาต่อกันเข้าจึงเป็นอาณาปาณนาะสมาธิแปลว่าความแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยธรรมดาถ้าหากเรากําลังนึกหรือกําลังคิดอะไรอยู่และรู้ตัวว่ากําลังนึกกําลังคิดอะไรหรือกําลังพูดกําลังทําอะไรอยู่ เมื่อรู้ตัวว่ากําลังพูดกําลังทําอะไรก็แปลว่าจิตจะต้องเป็นสมาธิอย่างน้อยก็เป็นคณิกะสมาธิซึ่งแปลว่าสมาธิชั่วขณะเพราะมีหลักตายตัวอยู่ทีเดียวว่าในขณะใดถ้ามีสติอยู่กับตัวคือจะพูดจะทําหรือจะคิดอะไรก็รู้สึกตัวว่ากําลังพูดกําลังทํากําลังคิดอะไรอยู่ จิตจะต้องเป็นสมาธิเสมอหรือพูดอีกในหนึ่งถ้าสติเกิดสมาธิก็เกิดถ้าสติไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดถ้าสติมีอยู่เพียงชั่วขณะสมาธิก็จะมีอยู่เพียงชั่วขณะถ้าสติติดต่อกันไปทุกขณะจิตเป็นเวลานานจิตก็จะเป็นสมาธิมากขึ้น ซึ่งอาจจะถึงขั้นอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิอุปจารสมาธิหมายถึงสมาธิที่จนจะถึงขั้นฌานอัปนาสมาธิก็คือสมาธิที่ถึงขั้นฌานขอให้สังเกตให้ดีว่าสติเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสมาธิและอย่าลืมเป็นอันขาดที่จะถามตัวเองบ่อยๆว่า สติหมายถึงอะไรขณะนี้ตนเองมีสติอยู่กับตัวหรือเปล่าขอให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อมีสติอยู่กับตัวก็ย่อมจะมีอำนาจบังคับใจตัวเองกล่าวคือสามารถควบคุมความนึกคิดของตัวเองได้จะให้นึกคิดเรื่องอะไรก็สามารถที่จะบังคับใจให้อยู่กับเรื่องนั้นได้นา น, าน และเรื่องไหนไม่ต้องการจะนึกถึงก็ปัดออกไปได้ผู้ที่สามารถทำได้อย่างนี้เรียกว่ามีอำนาจบังคับใจตัวเองได้โปรดจำให้แม่นว่าคนที่จะฝึกสมาธิได้จะต้องมีอานาจบังคับใจตัวเองอย่างเพียงพอและอำนาจที่ว่านี้จะเกิดขึ้นทันทีถ้าหากมีสติอยู่กับตัว และถ้าหากมันฝึกให้มีสติอยู่กับตัวอยู่เสมอบ่อยๆจนกระทั่งมีความเคยชินเกิดขึ้นกล่าวคือไม่ว่าจะพูดจะทำหรือได้คิดอะไรก็รู้สึกตัวอยู่เสมอเป็นปกติธรรมดาถ้าทำได้เช่นนี้อาการปั้าเป๋หรือใจลอยก็จะไม่มีเลยไม่ว่าจะทำงานอะไรเคล็ดสำคัญของการฝึกสมาธิ อยู่ที่การฝึกให้มีสติอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เมื่อหายใจเข้าก็รู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังหายใจเข้ากำหนดลมที่ผ่านเข้าไปได้ทุกขณะโดยที่ใจไม่เผลอและไม่ไปนึกถึงสิ่งอื่นในเวลาหายใจออกก็เช่นเดียวกันกำหนดลมหายใจที่ผ่านออกได้ทุกขณะ รู้สึกตัวอยู่ทุกขณะว่าขณะนี้กำลังหายใจออกผู้ที่สามารถทำได้อย่างนี้เป็นเวลานานพอสมควรในไม่ช้าใจก็จะสงบและมีความสดชื่นเกิดขึ้นจากภายในความฟุ้งซ่านความรงคาญและความไม่สบายใจต่างๆจะหายไปหมดทั้งนี้ก็เพราะ ลมหายใจเป็นอารมณ์ที่บริสุทธิ์คือเป็นอารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดกิเลสฉะนั้นเมื่อนึกถึงแต่ลมหายใจเข้าออกไม่นึกถึงอย่างอื่นเลยใจจึงสงบและอำนาจบังคับใจตัวเองก็จะมีมากขึ้นโดยลำดับคนไหนถ้าหากมีอำนาจบังคับใจตนเองมากพอการทำสมาธิก็จะกลายเป็นของง่าย อย่าลืมว่าอำนาจบังคับใจตัวเองเกิดจากสติในบรรดาวิธีฝึกสมาธิต่างๆ ต, ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ซึ่งมีอยู่มากมายหลายสิบวิธีนั้นการฝึกสมาธิโดยวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องไว้อย่างมากว่าเป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ฝึกได้รับผลอย่างแน่นอน และเป็นวิธีที่ไม่ยากเพราะสําหรับผู้ที่เข้าใจวิธีฝึกตามวิธีนี้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะฝึกสมาธิด้วยวิธีกําหนดลมหายใจเข้าออกนี้ได้ทุกอิริยาบทกล่าวคือจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็ฝึกได้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือในภาวะใดๆก็สามารถที่จะฝึกได้ตลอดเวลา เช่นในขณะที่มีเรื่องไม่สบายใจหรือมีเรื่องวุ่นวายอยู่ในใจสําหรับคนที่ฝึกสมาธิแบบนี้ไว้ชำนาญแล้วก็สามารถที่จะขับไล่ความกลุ้มใจหรือความไม่สบายใจความวุ่นวายในใจออกไปได้โดยไม่ยากเพียงแต่สูตรลมหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆและช้าๆสองสาครั้ง ความไม่สบายใจเหล่านี้ก็จะค่อยๆเลือนหายไปจนกระทั่งในที่สุดจิตใจก็แจ่มใสขึ้นมาอีกการสูดลมให้ใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกช้าๆสักสองสาครั้งพร้อมกับกำหนดลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกและไม่นึกถึงสิ่งอื่นเลยการหายใจแบบนี้จะช่วยคนเรา ไม่เพียงแต่จะทำให้สุขภาพทางร่างกายดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังจะทำให้จิตใจเข้มแข็งสามารถเอาชนะความทุกข์ได้โดยไม่ยากอีกด้วยขอให้ท่านพิจารณาถึงอานิสงส์ของการทำสมาธิโดยวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลาย อาณาปานสติสมาธินี้เมื่ออบรมทำให้มากแล้วย่อมทำใจให้สงบทำใจให้ประณีดทำใจให้เยือกเย็นเป็นที่อยู่อย่างสบายของใจและบรรดาบาปประธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้อันตรฐานสงบไปได้อย่างรวดเร็วและอีกแห่งหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลใดอบรมทําให้มากแล้วผู้นั้นย่อมชื่อว่าทําสติปฐานสีให้บริบูรณ์ผู้ใดอบรมทําให้มากซึ่งสติปฐานสี่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าทำพอดชงเจตให้บริบูรณ์ผู้ใดอบรมทําให้มากซึ่งโพอดชงเจต คูนั้นย่อมได้วิชาและวิมุติอย่างบริบูรณ์นอกจากนี้พระพุทธโคส า, าจารย์ผู้เขียนหนังสืออาาัจกราอธิบายพระไตรปิฎกยังได้กล่าวไว้ในหนังสือวิสุทธิมารว่าในประเภทต่างๆของกรรมฐานอาณาปานสติกรรมฐานนี้เป็นยอดของกรรมฐานและเป็นเหตุให้บรรลุถึงคุณวิเศษ และทำเป็นเครื่องอยู่สบายในชีวิตประจําวันของพระพุทธเจ้าพัฒปฏิเกพระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกทุกองค์อหนึง่งพระพุทธโคส า, าจารย์ยังได้กล่าวไว้ในคมภีสัตธรรมมาปกาศินีในตอนที่ที่บายถึงเรื่องอาณาปานาสติสมาธิอีกว่าอาณาปานาสติสมาธิภาวนา เป็นหลักใหญ่แห่งการปฏิบัติของพระสัพพัญูโพธิสัตว์ ท, ทุกพระองค์เพราะพระสัพพัญูโพธิสัตว์ ท, ทุกพระองค์มีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิอันนี้แหละจึงได้ทรงรู้แจ้งตามความเป็นจริงที่โคนต้นโพอานิสงส์ต่างๆดังที่ได้กล่าวมาโดยสังเขปนี้ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่า การฝึกสมาธิด้วยวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นวิธีปฏิบัติที่สำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาอันที่จริงเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้อย่างละเอียดและจัดพิมพ์เป็นเล่มมานานแล้วหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าคู่มือการฝึกอาณาปานสติสมาธิเฉพาะในที่นี้ ข้าพเจ้าจะที่บายโดยสังเกตเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจได้ง่ายๆและสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองการฝึกสมาธิก็คือการฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะการฝึกสมาธิไม่ว่าจะฝึกโดยวิธีไหนหลักใหญ่ย่อมเหมือนกันหมดกล่าวคือต้องพยายามให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะคําว่า มีสติอยู่กับตัวหมายความว่าต้องพยายามให้รู้สึกตัวทุกขณะว่าขณะนี้กำลังนึกอย่างนี้กำลังคิดอย่างนี้กำลังรู้สึกอย่างนี้สติตามสับแปลว่านึกขึ้นมาได้ซึ่งหมายความว่ากำลังนึกคิดอะไรอยู่ก็สมนึกได้เสมอว่ากำลังนึกคิดอะไรอยู่ การฝึกสมาธิโดยวิธีเพ่งกรสินเช่นจุดเทียนแล้วเพ่งที่เปลวไฟในขณะที่เพ่งก็ต้องพยายามสํารวมจิตให้นึกถึงแต่เปลวไฟนึกอยู่แต่ในใจว่าไฟไฟไฟและเมื่อหลับตาก็ต้องพยายามนึกให้ภาพเปลวไฟนั้นปรากฏอยู่ในใจเห็นภาพนั้นอยู่ในใจชัดเหมือนกับลืมตาดู ผู้ที่ทำได้อย่างนี้จะต้องมีสติอยู่กับตัวทุกขณะกล่าวคือจะต้องคอยควบคุมจิตใจให้นึกถึงตะเปลวไฟอยู่ทุกขณะจิตและพร้อมกันนั้นก็ต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองกาลังนึกถึงเปลวไฟซึ่งการนึกนี้จะต้องให้ติดต่อกันไปทุกขณะจิตถ้าเผลอตัวไปนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไร ภาพเปลวไฟก็จะหายไปทันทีการที่ภาพเปลวไฟปรากฏชัดอยู่ในใจติดต่อกันไปเวลานานๆไม่เลือนหายไปจากจิตใจทั้งนี้ก็เพราะมีสติติดต่อกันไปทุกขณะจิตในทํานองเดียวกันถ้าจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิต ในขณะหายใจเข้าก็รู้สึกตัวว่ากําลังหายใจเข้าในขณะหายใจออกก็รู้สึกตัวว่ากําลังหายใจออกกําหนดลมที่ผ่านเข้าผ่านออกได้ทุกขณะจิตถ้าไม่เผลอไปนึกถึงสิ่งอื่นก็แปลว่าสติติดต่อกันไปทุกขณะจิตและถ้าหากในระหว่างนี้ใช้คําภาวนาประกอบด้วยเช่น นึกถึงคําว่าอาราหังหรือพุโทโธหรือจะใช้วิธีนับประกอบด้วยก็ต้องหมายความว่าการนึกถึงคําภาวนาหรือการนับนั้นจะต้องให้กลมกลืนกันไปกับการกําหนดลมหายใจเข้าออกซึ่งถ้าทําให้ถูกวิธีจิตก็จะอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาโดยไม่เป็นนึกถึงเรื่องอื่นเลยแต่ถ้าจะนึก ก็มีแต่คําภาวนาที่กำหนดไว้เท่านั้นเรื่องอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้หลักใหญ่ของอาณาปานสติสมาธิก็คือการพยายามควบคุมจิตใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตลมหายใจเป็นอารมณ์ที่บริสุทธิ์คือเป็นอารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดจิเลสโดยธรรมดาจิเลสจะเกิดขึ้น ก็เพราะไปนึกถึงอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสถ้าหากทุกขณะจิตนึกถึงแต่อารมณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดกิเลสเช่นนึกถึงลมหายใจตลอดเวลากิเลสก็จะไม่เกิดและที่กำลังมีอยู่ก็จะค่อยๆสงบลงเหมือนกับเราตักน้ำในลำคลองมาใส่ขวดทิ้งเอาไว้สิ่งศสกโปกซึ่งมีอยู่ในน้ำเมื่อน้ำนิ่ง มันก็จะค่อยค่อยตกตะกอนนอนอยู่ก้นขวดน้ำข้างบนก็จะใสขึ้นโดยลำดับจิตของปุถุชนก็เหมือนกับน้ำในลำคลองถ้าไม่นึกถึงอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสก็เปรียบเหมือนน้าไม่กระเพื่อมกิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งเปรียบเหมือนตะกอนนอนอยู่ก้นขวดในเมื่อน้ำนิ่งมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านขึ้นมาและที่กำลังมีอยู่ มันก็จะค่อยๆสงบลงจิตก็จะสดใสขึ้นโดยลำดับมีหลักอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าโดยกฎธรรมดาของจิตเองถ้ากิเลสต่างๆที่มีอยู่ในสันดานซึ่งเรียกว่าวิบากของกิเลสนั้นไม่ฟุ้งร้านขึ้นมาและที่จะเกิดใหม่ก็ไม่มีถ้าหากว่าจิตบริสุทธิ์เพื่อไรแม้จะเป็นการบริสุทธิ์แบบน้าตกตะกอนก็ตาม ปีติคือความเอิบอิ่มใจหรือความเบิกบานใจและสุขคือความสบายใจความเยือกเย็นใจก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตามปริมาณของกิเลสที่สงบคือถ้ากิเลสสงบมากความเบิกบานใจความสบายใจก็มีมากขึ้นถ้ากิเลสสงบน้อยความบริสุทธิ์ของใจมีน้อยความเบิกบานใจ ความสบายใจก็จะมีน้อยและถ้าหากเมื่อใดจิตสงบพร้อมทั้งรู้สึกเบิกบานใจสบายใจจิตก็จะเป็นสมาธิโดยง่ายคือจะแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่ตั้งใจเอาไว้โดยไม่ยากโดยไม่ต้องคอยควบคุมเพียงแต่ตั้งใจจะให้มันอยู่กับอารมณ์อะไรซึ่งเป็นอารมณ์ที่จะทำให้ใจสงบนั้น มันก็จะอยู่ทันทีไม่ดิ้นรนไปที่ไหนและในตอนนี้วิบากของสมาธิก็จะสะสมมากขึ้นโดยลำดับซึ่งในเมื่อวิบากของสมาธิมีมากแล้วการเข้าสมาธิก็กลายเป็นของง่ายและจะเข้าได้เสมอทุกเวลาทุกสถานที่และจะเข้าได้อย่างรวดเร็วขอได้โปรดจาไว้ให้แม่นว่า ทุกครั้งที่จิตสงบมีสติอยู่กับตัววิบากของสมาธิย่อมเกิดขึ้นในสันดานเมื่อจิตสงบอยู่เป็นเวลานานๆก็แปลว่าวิบากของสมาธิซึ่งกาลังเกิดขึ้นทุกขณะจิตก็จะมีมากขึ้นวิบากที่สะสมเอาไว้นี่แหละคือสมบัติที่แท้จริงของคนเราเพราะตายแล้วยังติดตามไปได้ และจะได้ใช้วิบากอันนั้นไปทุกทุกชาติตราบเท่าที่มันยังไม่เสื่อมไปจากจิตใจและมันก็จะไม่เสื่อมถ้าหากเราพยายามปฏิบัติอยู่เสมอที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนก็หมายถึงว่าเมื่อเราทํากรรมอันใดไว้เราก็จะได้วิบากอันนั้นเป็นสมบัติติดตัวไปทุกชาติ สิ่งที่เป็นส่วนประกอบสําคัญยิ่งในการที่จะช่วยให้จิตเป็นสมาธิโดยง่ายและมั่นคงก็คือปีติและสุขดังที่ได้กล่าวมาแล้วโปรดจําไว้ให้แม่นว่าปีติและสุขจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้งที่จิตบริสุทธิ์คือสงบจากกิเลสและจิตจะสงบจากกิเลสได้ก็ต่อเมื่อไม่นึกถึงอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลส จะต้องพยายามนึกถึงแต่อารมณ์ที่บริสุทธิ์เช่นลมหายใจเป็นต้นและการนึกถึงนี้จะต้องให้ติดต่อกันไปทุกขณะจิตเพราะถ้าหากบางขณะนึกถึงลมหายใจแต่บางขณะก็เผลอไปนึกถึงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสจิตของคนคนนั้นก็จะเหมือนกับน้าในควรซึ่งเราพยายามประคองให้นิ่ง ในขณะที่นั่งไปบนรถซึ่งน้ำในขวดนั้นเป็นน้ำย่างในลำคลองบางขณะเราก็ประคองขวดให้นิ่งได้แต่บางขณะรถกระเทือนมือเราสัน่นน้ำมันก็กระเพื่อมตะกอนพอที่จะนอนลงกล้นแต่แล้วมันก็กลับฟุ้งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตราบใดที่น้ำยางกระเพื่อมอยู่ น้ำข้างบนก็จะใส่ไม่ได้ในทำนองเดียวกันถ้าใจยังกระเพื่อมซึ่งหมายถึงบางขณะก็นึกถึงลมหายใจเข้าออกแต่แล้วเดี๋ยวก็เผลอไปนึกถึงเรื่องอื่นอีกกิเลสซึ่งกำลังจะสงบแต่แล้วมันก็กลับฟุ้งขึ้นมาอีกฉะนั้นการที่จะทำใจให้บริสุทธิ์สงบจากกิเลสได้จริงๆ จะต้องพยายามนึกถึงแต่ลมหายใจตลอดเวลาทุกขณะจิตซึ่งใหม่ๆก็ยังไม่มีใครทําได้แต่สำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆว่าจะต้องฝึกให้ได้เมื่อหัดบ่อยๆสักวันหนึ่งก็จะสามารถทําได้เองความสำเร็จอยู่ที่ความพยายามอย่างชนิดที่แม้จะล้มเหลวสักเพียงไรก็ไม่ยอมแพ้เป็นเด็ดขาด คนที่ตั้งใจจริงเช่นนี้ย่อมทําได้สําเร็จทุกคนจากคําอธิบายที่ได้กล่าวมานี้ท่านจะเห็นว่าองค์ประกอบของสมาธิที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการนึกและการคิดอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่กําหนดเอาไว้แล้วและเรื่องที่ว่านี้ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดจิเลน ต้องสามารถควบคุมความนึกคิดให้อยู่ในเรื่องเดียวหรือในอารมณ์อันเดียวให้ได้ถ้าทำไม่ได้จิตก็สงบไม่ได้การนึกในลักษณะเช่นนี้คำบาลีเรียกว่าวิตกการคิดเรียกว่าวิจารการมีอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกคตาฉะนั้นองค์ของสมาธิหรือองค์ของฌาน ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จึงมีอยู่ห้าอย่างคือวิตกวิจาร์ปีติสุขและเอกขาตาผู้ที่สามารถควบคุมจิตใจให้นึกและคิดอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวให้มีสติ ต, ติดต่อกันไปทุกขณะซึ่งในเมื่อทำได้เป็นเวลานา น, านพอสมควรจิตก็จะสงบและบริสุทธิ์ครั้นแล้ว ปีติและสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อปีติและสุขเกิดขึ้นแล้วจิตก็แน่วแน่อย่างมั่นคงภาระที่จะคอยควบคุมหรือคอยระวังก็หมดไปเพราะมันเหมือนกับเด็กที่สนเมื่อเราเอามาฝึกจนกระทั่งกลายเป็นเด็กว่าง่ายเชื่อฟังคําสั่งทุกอย่างได้แล้วเมื่อเราสั่งให้ทําอะไรเขาก็จะทําตามคําสั่งได้โดยไม่ยาก และเราก็ไม่ต้องเสียเวลาหรือต้องมีความลำบากใจในอันที่จะต้องคอยควบคุมข้อนี้ฉันใดถ้าหากว่าเราได้พยายามฝึกสมาธิโดยวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งสามารถทำให้จิตสงบและบริสุทธิ์ขึ้นมาได้แล้วปีติและสุขเกิดขึ้นในใจแล้วก็จะเป็นเหมือนเด็กที่ว่าง่าย เมื่อสั่งให้อยู่กับอารมณ์อะไรมันก็จะอยู่กับอารมณ์อนนั้นไปตลอดสุดแล้วแต่เราจะตั้งใจให้อยู่นานเท่าไรมันก็จะอยู่นานเท่านั้นผู้ที่สามารถฝึกได้มาถึงขั้นนี้แล้วทุกคนจะรู้สึกว่าการทำใจให้เป็นสมาธิเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งคนที่บังคับใจตัวเองได้ จะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีการบังคับใจตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอัตตาเฮเวชิตังเสยโยการชนะตนเองนั่นแหละประเสริฐกว่าการชนะตนเองในที่นี้ก็คือการชนะใจตนเองการชนะใจก็หมายถึงการมีความสามารถควบคุมความนึกคิด และความรู้สึกของตนเองได้เช่นความคิดอันใดที่ไม่ต้องการก็สามารถปัดออกไปได้ทันทีจะให้ใจนึกคิดอยู่แต่เรื่องไหนก็มีแต่เรื่องนั้นและในด้านความรู้สึกก็บังคับได้เช่นเมื่อเกิดความอยากหรือความต้องการในสิ่งใดเมื่อเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรก็ตัดออกไปได้ หรือความต้องการนั้นจะเหมาะหรือควรสักเพียงไรก็ตามแต่ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาก็รู้จักปล่อยวางรู้จักรอจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรด้วยความใจเย็นในเรื่องความโกรธหรือความรู้สึกในด้านอื่นๆก็เหมือนกันผู้ที่สามารถบังคับหรือควบคุมได้ย่อมเป็นผู้ประเสริฐโดยแท้ คนที่ทํางานใหญ่ปกครองคนหมู่มากจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนต่างๆมากมายนั้นถ้าหากเป็นคนเจ้าอารมณ์ทําอะไรตามเหตุผลไม่ได้ควบคุมใจตนเองไม่ได้ก็ย่อมจะทํางานใหญ่ไม่สําเร็จด้วยเหตุนี้ท่านจะเห็นว่าคนที่มีแต่ความรู้ความสามารถแต่เป็นคนเจ้าอารมณ์เกินไป ควบคุมใจตัวเองไม่ได้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็ไม่อาจจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่และบางทีนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้วส่วนมากก็ยังเป็นอันตรายต่อคนคนนั้นอีกด้วยเพราะมันเหมือนกับคนที่ขี้โมโหเป็นคนเจ้าอารมณ์และมีอาวุธอยู่ในมือก็เป็นการแน่นอนเหลือเกินว่า อาวุธที่เขามีอยู่นั้นสักวันหนึ่งจะต้องเป็นอันตรายต่อเขาอย่างแน่นอนพระพุเทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าทันโตเศษโถมนุสเสสุในบรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดอย่าลืมว่าคนที่จะมีอำนาจบังคับใจตัวเองได้จะต้องเป็นคนมีสมาธิดี และคนที่จะมีสมาธิขึ้นมาได้ก็จะต้องฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวเสมออำนาจบังคับใจตัวเองจะเกิดขึ้นทุกครั้งในขณะที่มีสติอยู่กับตัวและจะมีมากขึ้นโดยลำดับถ้าหากพยายามฝึกหัดให้มีสติอยู่กับตัวเสมอทุกอิรยาบทไม่ว่าจะทำงานอะไร ก็พยายามให้มีสติอยู่กับตัวและข้อสําคัญที่สุดก็คือจะต้องมั่นคอยสํารวจ จ, จิตใจของตนจะต้องให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้ตนเองกําลังมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรและทําไมจึงมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นการฝึกสมาธิก็คือการฝึกให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะ สำหรับผู้ที่เข้าใจหลักอันนี้ดีก็จะมองเห็นว่าการฝึกสมาธิเป็นของจำเป็นและถ้าหากมีความตั้งใจที่จะฝึกจริงๆแล้วทุกคนก็สามารถฝึกได้โดยไม่ยาก บทที่สิบหกอุบายแก้ความฟุง้งซ่านเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นว่ามีคนสนใจในเรื่องสมาธิมากขึ้นโดยลำดับซึ่งในจำนวนคนที่สนใจนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่และเด็กนั้นมีแม้กระทั่งตัวเล็กๆอายุเพียงหกหรือเจดขวบเพราะทุกวันอาทิตย์ในชั่วโมงที่ข้าพเจ้าสอนเด็ก คือตั้งแต่เวลา11นถึง12นที่ห้องฝึกสมาธิของแผนกธรรมวิจัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวัดมหาธาตุปรากฏว่ามีเด็กเล็กๆอยู่เป็นอันมากและก็นั่งสมาธิกันได้พอสมควรทั้งนี้ก็เนื่องจากเด็กถ้ามีความสนใจอยู่บ้างและทางผู้ปกครองช่วยส่งเสริมเด็ก ก็จะฝึกสมาธิได้ง่ายเพราะโดยธรรมดาเด็กไม่มีความกดดันทางอารมณ์และใจของเด็กก็มีความบริสุทธิ์มากส่วนผู้ใหญ่ที่ฝึกสมาธิกันได้ยากก็เพราะมีความกดดันทางอารมณ์มากอันนี้คือสายเหตุใหญ่ที่ทําให้ฝึกสมาธิกันไม่ค่อยได้เพราะนั่งทีไรใจไม่ยอมสงบถ้านั่งสมาธิใจไม่สงบ ก็าจะรู้สึกรำคาญมากจะทนอยู่ไม่ได้ในไม่ช้าก็ต้องเลิกข้าพเจ้าสังเกตเห็นเด็กๆที่นั่งสมาธิได้คืออย่างน้อยก็นั่งได้ถึงหนึ่งนาทีโดยไม่มีการกระดุกกระดิกไม่ง่วงและก็ไม่งอกทุกคนเมื่อถามแล้วจะบอกเหมือนกันหมดว่าเพราะใจสบายจึงนั่งนิ่งอยู่ได้ส่วนเด็กบางคนก็มีเหมือนกันที่จะนั่งนิ่ง แม้สักหนึ่งหรือสองนาทีก็ไม่ได้ถ้ า, าคืนบังคับให้ต้องนั่งนิ่งๆอยู่นานก็จะเกิดความง่วงนอนทั้งนี้ก็เพราะใจไม่สงบการที่ผู้ใหญ่บางคนครั้งแรกก็สนใจดีแต่ต่อมาภายหลังก็เลิกไปทั้งนี้ก็เพราะนั่งทีไรใจไม่เคยสงบไม่เคยได้รับความสุขใจจากการนั่งสมาธิจึงได้เบือ่อ คนที่นั่งสมาธิไม่ได้ก็คือคนที่ไม่สามารถจะควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจได้เป็นเวลานานๆจนกระทั่งสงบมีปีติและสุขเกิดขึ้นคนประเภทนี้จะอยู่กับลมหายใจได้เพียงไม่กี่นาทีบางคนแม้แต่เพียงสักหนึ่งหรือสองนาทีก็ไม่อาจจะควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจได้ มักจะอดนึกอดคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้เดียวนึกถึงเรื่องนั้นเดียวนึกถึงเรื่องนี้ความคิดเปะปะไม่มีระเบียบวิธีที่จะแก้ความฟุ้งซ่านในลักษณะนี้ต้องใช้อบายกันหลายอย่างเช่นหนึ่งครั้งแรกจงสูดลมหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจเข้าไปให้เต็มที่แล้วก็กลั้นไว้ชั่วขณะหนึ่ง จนกระทั่งรู้สึกว่าจะกลั้นไว้ไม่ได้จึงค่อยหายใจออกและในการหายใจออกนั้นก็ต้องค่อยๆผ่อนลมออกมาคือหายใจอย่างช้าๆและหายใจจนกระทั่งรู้สึกว่าลมออกมาจนหมดแล้วก็จงกลั้นไว้อีกช่วขณะหนึ่งจนกว่าจะรู้สึกว่ากลั้นไว้ไม่ได้จึงค่อยๆหายใจเข้า ในแบบเดียวกับที่เคยทำมาแล้วแต่ข้อสำคัญในขณะที่หายใจเข้าหรือหายใจออกจะต้องตั้งสติกำหนดลมไว้แห่งเดียวคือที่ปลายจมูกลมสัมผัสตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นและพร้อมกันนั้นจะต้องพยายามกาหนดลมให้ได้ทุกขณะอย่าเผลอไปนึกถึงเรื่องอื่นแต่ถ้าหากใจยังไม่ค่อยจะอยู่ ก็ให้ใช้วิธีนับประกอบไปด้วยคือหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ให้นับพร้อมกันไปและในขณะที่กลั้นก็ต้องนับด้วยนับช้าช้าแต่ก็อย่าให้ช้าจนเกินไปเราจะได้รู้ว่ากลั้นได้นานประมาณสกี่นาทีและในเมื่อเราฝึกวิธีนี้บ่อยๆก็จะพบว่าเรากลั้นลมหายใจได้มากขึ้นวิธีนี้ ไม่ช่วยเข้าสมาธิได้ลึกไม่ทำให้ปีติและสุขเกิดขึ้นแต่ก็ระ ง, งับความฟุ้งซ่านได้ดีเป็นวิธีเบื้องต้นสำหรับแก้ความฟุง้งซ่านอันหนึ่งการฝึกสมาธิในแบบสูดลมหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกช้าๆและมีการกลั้นลมหายใจอีกด้วยนั้น ถ้าหากได้ใช้คู่กันไปกับการฝึกโยคะก็จะได้ผลดีขึ้นอีกซึ่งวิธีฝึกโยคะแบบง่ายๆก็คือครั้งแรกพยายามนั่งขัดสมาธิสองชั้นหรือที่เรียกว่าขัดสมาธิเพชรในเวลาหายใจเข้าต้องพยายามให้ส่วนท้องเบ่งขึ้นมาก่อนแล้วจึงค่อยๆเลื่อนให้ตอนช่วงอกค่อยๆพองขึ้นจนกระทั่งรู้สึก หน้าอกเบ่งเต็มที่แล้วแล้วจึงค่อยหายใจออกและในการหายใจออกนี้ก็ต้องให้ส่วนท้องยุบก่อนแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาจนกระทั่งหน้าอกแฟบแล้วจึงหายใจเข้าอีกและทำแบบเดียวกับที่กล่าวมาแล้วอันหนึง่งถ้าหากรู้สึก ง, ง่วงหรือฟุ้งซ่านมากในขณะหายใจออกก็ให้พยายามก้มตัวลง จนกระทั่งศรีรษะถึงพื้นและรู้สึกว่าลมออกหมดแล้วก็กลั้นเอาไว้ชั่วขณะหนึ่งในเวลาจะเงยขึ้นจึงหายใจเข้าวิธีอย่างอื่นให้ทำแบบเดียวกับที่แนะนำมาแล้วแต่การทำแบบนี้เวลาก้มลงต้องเอามือค่ว้หลังการฝึกแบบนี้ถ้าตั้งใจทำให้ถูกต้อง ตามวิธีที่แนะนำมาจะกำจัดความฟุ้งซ่านได้และถ้าไม่ง่วงนอนมากก็แก้ได้ด้วยการฝึกแบบนี้ต้องทำไปนานๆหลายๆครั้งหลาย ๆ, ๆวันจนกว่าจะรู้สึกว่าเมื่อเรานั่งอย่างธรรมดาและหายใจตามปกติก็สามารถที่จะควบคุมใจให้เป็นสมาธิได้บ้างจึงค่อยเลิกวิธีนี้แปลว่า ทุกครั้งถ้านั่งสมาธิทีไรใจฟุ้งซ่านก็ให้ฝึกแบบนี้สอนถ้าวิธีที่หนึ่งไม่ชอบหรือว่าลองทำดูแล้วไม่ได้ผลก็ให้ใช้วิธีนี้คือในเมื่อใจฟุ้งซ่านพระเดียวนึกอย่างโน้นพระเดียวนึกอย่างนี้ก็ให้ใช้วิธีติดตามดูคือมันจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไป แต่ให้พยายามคิดเป็นเรื่องๆ อ, อย่าเปลี่ยนเรื่องบ่อยๆและพิจารณาดูว่ามันคิดอะไรออกมาบ้างครั้นแล้วให้พิจารณาดูสาเหตุว่าทาไมจึงคิดอย่างนั้นในใจมีความต้องการอะไรมีความยึดถืออย่างไรมีความเข้าใจอย่างไรหรือเคยรู้เคยเห็นอะไรมาจึงได้คิดอย่างนั้น ให้พิจารณาหาเหตุเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุแล้วความคิดก็อาจจะสงบไปได้โดยง่ายในเมื่อรู้ว่าความคิดอันนี้ไม่มีสาระทาตามไม่ได้หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรก็จะเกิดความเบือ่อคราวหลังก็เลิกคิดได้หรืออีกในหนึ่งในเมื่อเรารู้จักสาเหตุเราก็จะรู้จักวิธีแก้ หรือวิธีควบคุมความคิดอันนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นในขณะนั่งสมาธิการติดตามดูความคิดแล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปจนถึงที่สุดของมันนั้นเป็นวิธีที่ได้ผลในการระ ง, งับความฟุ้งซ่านได้ดีอย่างหนึ่งทีเดียวแต่ว่าโดยปกติคนที่จะใช้วิธีนี้ได้ผล ต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือเรื่องจิตใจพอสมควรไม่เช่นนั้นทั้งที่ติดตามดูแล้วก็จะอ่านความคิดของตนเองไม่ออกและก็จะระ ง, งับความคิดอันนี้ไม่ได้อย่าลืมว่าการฝึกสมาธิก็คือการฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะฉะนั้นเมื่อกำลังคิดอะไรอยู่ เมื่อรู้ตัวว่ากําลังคิดอะไรก็แปลว่ามีสติอยู่กับตัวและเมื่อมีสติอยู่กับตัวเช่นนี้ก็จะมีอานาจบังคับใจตนเองเพิ่มขึ้นโดยลําดับซึ่งในที่สุดก็สามารถที่จะควบคุมได้อย่างเด็ดขาดโดยธรรมดาการใช้ความคิดก็เหมือนกับการออกกําลังกายคือในเมื่อออกแรงมากๆแรงก็จะหมด และก็จะหยุดไปเองในเรื่องความคิดก็เหมือนกันเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปจนสุดฤทธิ์ของมันแล้วมันก็จะหยุดแต่การที่บุคคลบางคนฟุ้งซ่านอยู่ได้นานๆทั้งนี้ก็เป็นเพราะคิดหลายเรื่องไม่พยายามที่จะคิดแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถึงที่สุดของมันเสียก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเรื่องเพราะฉะนั้นเคลดสำคัญก็คือ อย่าพยายามเปลี่ยนเรื่องบ่อยๆมันจะคิดเรื่องไหนก็ให้พยายามคิดแต่เรื่องนั้นไปจนถึงที่สุดพร้อมกับติดตามดูอย่างใกล้ชิดวิธีนี้รับรองได้ว่าได้ผลแน่นอนคือความคิดในเรื่องนั้นมันจะหยุดไปเองครั้นแล้วก็ให้พยายามดึงใจให้มาอยู่กับลมหายใจอีก แต่ถ้าปรากฏว่ามันยังฟุ้งซ่านอีกก็ให้ใช้วิธีเดียวกันคือให้เรื่องเรื่องขึ้นมาสังเรื่องหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดแต่เรื่องนั้นจนกว่าจะถึงที่สุดของมันครั้นแล้วก็ให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกโดยวิธีนี้ในที่สุดใจก็จะอยู่กับลมหายใจได้โดยไม่ยาก และขอให้สังเกตว่าถ้าเรื่องไหนคิดไปจนถึงที่สุดของมันแล้วเรื่องนั้นก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกถ้ายังโผล่ขึ้นมาบ้างก็แปลว่ายังคิดเรื่องนั้นไปไม่ตลอดอย่าลืมว่าเมื่อความฟุ้งซ่านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมดฤทธิ์แล้วต้องรีบดึงใจให้มาอยู่กับลมหายใจตามวิธีที่ได้แนะนามาแล้ว ความฟุ้งซ่านทุกอย่างย่อมเกิดมาจากความกดดันทางอารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามสังเกตก็คือให้พยายามถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรต้องพยายามระบุออกมาให้ชัดอย่าพูด อ, อ้อมค้อมสมมติว่าเราอยากจะได้เงินไปทาอะไรและจากใคร ตามวิธีของสมาชิก็คือต้องบอกข้อตรงๆเลยว่าเราต้องการเงินจะเอาไปทำอะไรก็พูดออกมาให้ชัดเขาจะให้หรือไม่ให้จะได้รู้ให้แจมแจ้งและความวิตกกังวลในเรื่องนี้ก็จะหายไปไม่ต้องเสียเวลามากแต่ถ้าหากเราพยายามมัวแต่พูดหวานล้อมไม่กล้า บ, บอกถึงจุดที่เราต้องการจริงๆ เพราะกลัวจะไม่ได้ต้องค่อยๆพูดต่อรอมเข้าไปเพราะต้องการจะอย่างดูท่าทีเขาก่อนหรือจะเพราะอะไรก็ตามการต้องอ้อมค้อมหรือการพูดหว่านล้อมอาจจะใช้ได้และจําเป็นจะต้องใช้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่การพูดกับตัวเองในใจจะได้ใช้วิธีนี้เป็นอันขาด ต้องพยายามสืบสอบให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงแล้วระบุออกมาให้ชัดแล้วจะได้หยิบเอาความต้องการอันนี้ขึ้นมาพิจารณาว่าเราควรจะตามใจหรือไม่ควรจะตามใจอยู่ในวิสัยที่จะได้หรือไม่ได้ครั้นแล้วเราจะได้รู้จักวิธีแก้ไขกล่าวคือถ้ารู้สึกว่าความต้องการอันไหน อยู่ในวสัยที่จะเป็นไปได้ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์หรือความเสียหายหรือถึงแม้จะเกิดแต่เราก็ยอมเสี่ยงเพราะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วมันมีความกดดันหรือมีอารมณ์ค้างจะไปทำอะไรจะนึกขิดถึงเรื่องอะไรก็คอยแต่จะวกมาหาเรื่องนี้เราช่างใจของเราดูแล้วว่า ถ้าไม่ได้ตามต้องการก็จะมีความกดดันอย่างแน่นอนเพราะไม่สามารถที่จะระ ง, งับความต้องการอันนี้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามไปหาทางสนองความต้องการอันนั้นเสียก่อนแต่อย่างไรก็ดีเราก็ควรจะเป็นคนที่ฉลาดในการที่จะทําอะไรตามใจตัวเองอะไรที่ยังไม่ถึงเวลา หรือยังไม่สมควรเราก็ต้องพยายามหาทางสอนใจตัวเองเพื่อให้รู้จักระงับความต้องการในขณะนั้นเช่นอาจจะพูดกับตัวเราเองว่าขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาเวลาที่จะได้นั้นยังมีถมไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารู้จักปลอบใจรู้จักสอนใจตัวเองก็สามารถที่จะระงับความต้องการ ให้สงบลงชั่วคราวได้ซึ่งถ้าความต้องการในเรื่องต่างๆทุกอย่างสงบลงแล้วความฟุ้งซ่านก็จะหายไปเองวิธีที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะสอนตัวเองให้ใจสงบนี้ก็คือขณะนี้เป็นเวลาฝึกสมาธิไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงเรื่องนี้ต่อแต่นี้ไปฉันจะไม่คิดอะไรในขณะนี้ ฉันไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นขณะนี้ฉันต้องการเพียงอย่างเดียวคือต้องการจะให้ใจสงบมีสติอยู่กับตัวฉันต้องการให้ใจสบายฉันต้องการความสงบเพราะฉะนั้นฉันจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นใดทั้งหมดให้พยายามสอนตัวเราอย่างนี้หลายๆครั้งจนกว่าใจจะสงบหรือใจอยู่กับถ้อยคําเหล่านี้ ครั้นแล้วก็สอนตัวเองอีกว่าจงอยู่กับลมหายใจจงพยายามกำหนดลมที่ผ่านเข้าให้ได้ทุกขณะกำหนดลมที่ผ่านออกให้ได้ทุกขณะฉันจะต้องพยายามทำใจของฉันให้นิ่งสงบให้มีสติอยู่กับตัวเสมออย่างนี้เป็นต้นการสอนตัวเองแบบนี้จะต้องทำทุกๆครั้งในเวลาเริ่มจะทำสมาธิ และให้ทำอีกทุกๆครั้งในเวลาที่มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นคนที่ตั้งใจสอนตัวเองและตั้งใจจริงๆที่จะให้ใจเป็นสมาธินานกล้ารับรองได้ว่าคนที่พยายามตั้งใจจริงๆเช่นนี้ไม่มีใครที่จะทำไม่สําเร็จจะแตกต่างกันแต่เพียงว่าบางคนอาจจะช้าไปหน่อยเท่านั้น แต่ในที่สุดก็จะทำสำเร็จการสอนตัวเองในลักษณะเช่นนี้เป็นเคล็ดสำคัญที่สุดในการกำจัดความฟาุ้งซ่านแต่ก็อย่าลืมเป็นอันขาดว่าในขณะที่สอนตัวเองอยู่นั้นจะต้องพยายามให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลากล่าวคือในใจกำลังนึกคิดอย่างไรกางพูดกับตัวเองในใจอย่างไร จะต้องจำได้ทุกคำและรู้สึกตัวอยู่ทุกคำว่ากำลังพูดอะไรพูดง่ายๆก็คือกำหนดคำพูดในใจได้ทุกคำเหมือนกับคนที่มีสมาธิดีซึ่งสามารถที่จะกำหนดลมหายใจเข้าออกได้ทุกขณะฉันนั้น 3. วิธีกาจัดความฟุง้งซ่านซึ่งเป็นวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งก็คือ จงพยายามสำรวมใจให้สงบที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยวิธีพยายามสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆซึ่งวิธีนี้ถ้าหากตั้งใจทำจริงๆแล้วใจต้องสงบลงได้ชั่วขณะหนึ่งครั้นแล้วก็จงเพ่งที่หน้าผากเหนือระหว่างคิ้วนึกถึงภาพอย่างใดอย่างหนึ่งพยายามนึกวาดภาพออกมาให้ชัด ซึ่งจะเป็นภาพอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นภาพที่ม น, นึกขึ้นมาแล้วไม่ก่อให้เกิดกิเลสถ้ายิ่งเป็นภาพธรรมดาที่ไม่ค่อยมีความหมายอะไรไม่ดึงดูดความสนใจก็ยิ่งดีเช่นแก้วน้ำไม้บรรทัดนินสอปากกากรองไม้ขีดดอกไม้หรืออะไรทานองนี้เป็นต้นอันหนึ่ง ในระหว่างที่นึกวาดภาพอยู่ในใจนั้นอย่าเพ่งให้มากนักเพราะถ้าเพ่งมากเกินไปก็อาจจะปวดตาหรือปวดที่ศีรษะหรือรู้สึกมึนงงให้พยายามทําใจให้สบายที่สุดและตั้งใจว่าจะทําให้ดีที่สุดแต่อย่าไปหวังผลจะทําได้หรือไม่ได้คือจะเห็นภาพชัดหรือไม่ชัดไม่ต้องเป็นห่วง หรือจะเห็นแต่เพียงภาพลางๆก็พยายามทำใจให้สบายเข้าไว้อย่าให้เกิดความขุ่นเคืองหรือเกิดความราคาญหรือเกิดความเบื่อหน่ายและถ้าสมมติว่ายังทำไม่ได้ในตอนนั้นก็ให้ปล่อยวางเสียว่าไม่ได้ก็แล้วไปต่อไปค่อยทำใหม่แต่ความตั้งใจนั้นต้องไม่ยอมลดละ ต้องปลูกฝังความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวเองว่าฉันจะต้องทําให้ได้และจะทําให้ดีที่สุดความตั้งใจจะต้องหนักแน่นและมั่นคงที่สุดและข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ารู้สึกว่าทําไม่ค่อยได้ผลก็อย่าทำนานจนเกินไปและถ้าหากเป็นไปได้วันหนึ่งก็ควรจะพยายามหัดทําหลายๆครั้ง ครั้งละห้าหรือหนึ่งนาทีก็ได้หรือโดยที่สุดสักสองสามนาทีก็ได้การสํารวมใจให้สงบแล้วนึกวาดภาพในใจโดยปกติมันจะใช้ได้ผลดีในบุคคลที่มีความจำดีเห็นอะไรติดตาได้ง่ายแต่ถ้าหากคนไหนนึกถึงภาพแล้วเห็นไม่ชัดก็ขอให้ลองเปลี่ยนเป็นนึกถึงคำพูด ที่เป็นคติสอนใจตัวเองโดยพยายามนึกให้เห็นเป็นตัวหนังสือออกมาหรือไม่เช่นนั้นในเมื่อต้องการที่จะสร้างตัวเองให้มีอุปนิสัยใจคอยอย่างไรให้มีบุคลิกลักษณะอย่างไรเช่นต้องการจะหัดให้เป็นคนมีความกล้าหาญก็ขอให้นึกถึงท่าทางของคนที่เขากล้าหาญคนที่กล้าหาญ แสดงกริยาอาการออกมาอย่างไรพูดอย่างไรเราต้องพยายามนึกวาดภาพให้ตัวเองมีลักษณะอย่างนั้นเวลาพูดก็ต้องแสดงท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นการทําใจให้สงบแล้วนึกวาดภาพในใจนี้ซึ่งถ้าหากทําได้แม้แต่เพียงเห็นภาพออกมาลางๆก็สามารถที่จะกําจัดความฟุ้งซ่านได้ และเมื่อใจหายฟุ้งซ่านแล้วก็ให้พยายามดึงใจมาอยู่กับลมหายใจต่อไปอีกและปฏิบัติอย่างเดียวกับที่เคยแนะนำมาแล้วการทำใจให้สงบและนึกวาดภาพในใจเช่นนี้นอกจากจะช่วยระ ง, งับความฟุ้งซ่านได้ดีแล้วยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างอุปนิสัยและสร้างบุคลิกลักษณะ เพราะลำพังการแนะนําสั่งสอนหรือเพียงแต่อ่านประวัติบุคคลสําคัญหรือการได้เห็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็พยายามหัดโดยไม่ได้อาศัยวิธีทางสมาธิจะได้ผลช้าหรือไม่ค่อยได้ผลแต่ถ้าได้ใช้วิธีดังกล่าวประกอบด้วยจะทําให้ได้ผลดีขึ้นถ้าการนึกวาดภาพในใจนั้น เห็นภาพออกมาอย่างชัดเจน ประสาทของสมาธิเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีอยู่เพียงสองอย่างคือความง่วงนอนกับความฟุง้งซ่านในเวลานั่งสมาธิถ้าไม่ง่วงและไม่ฟุง้งซ่านก็หมายความว่าจิตเป็นสมาธิความง่วงนอนก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องมีอุบายสําหรับที่จะแก้หลายอย่างและมักจะมาคู่กับความฟุง้งซ่าน ถ้าแก้ความฟุ้งซ่านได้ความง่วงนอนก็แก้ไขได้เว้นไว้แต่ความง่วงนอนอันนั้นจะมีสาเหตุมาจากทางร่างกายเช่นอดนอนรับประทานยาหรืออาหารที่ทำให้เกิดความง่วงได้ง่ายเรื่องความง่วงข้าพเจ้าจะนํเอาไปอธิบายทีหลังตอนนี้จะอธิบายถึงเรื่องความฟุ้งซ่านให้หมดเสียก่อนและโดยเฉพาะ ในตอนท้ายของตอนที่แล้วเขาพระเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องการนึกสร้างภาพในเวลาเข้าสมาธิซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยกาจัดความฟุ้งซ่านได้ดีแต่เนื่องจากเมื่อคราวที่แล้วอธิบายไม่ละเอียดพอฉะนั้นจะขออธิบายเพิ่มเติมอีกการพยายามทำใจให้สงบแล้วนึกวาดภาพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจนั้น เป็นวิธีที่ประเสริฐอย่างหนึ่งทีเดียวก่อนอื่นขอให้เข้าใจเสียก่อนว่าคนที่จะเข้าสมาธินึกเห็นภาพออกมาอย่างชัดเจนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีสมาธิยิ่งดีเพียงไรภาพที่เห็นในใจก็ชัดขึ้นเพียงนั้นในขณะที่เรานึกถึงลมหายใจเข้าออกจิตอยู่กับลมหายใจทุกขณะ โดยธรรมดาเมื่อจิตสงบแล้วก็มักจะเริ่มเห็นภาพต่างๆเป็นภาพที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนสุดแล้วแต่มันจะเกิดแต่จะเป็นภาพอะไรก็ตามถ้าปรากฏว่าได้เห็นภาพอย่างเรือลางขึ้นมาก็แปลว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิแต่ภาพที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนี้ มักจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือได้เห็นอย่างนั้นบ้างได้เห็นอย่างนี้บ้างถ้าภาพที่เห็นนั้นเปลี่ยนบ่อยก็แสดงให้เห็นว่าจิตเป็นสมาธิอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งได้ไม่นานกําลังสมาธิไม่เข้มแข็งพออํานาจของสติที่จะบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งยังไม่มั่นคงพอการเห็นภาพ มีความสัมพันธ์อยู่กับการเห็นแสงสว่างกล่าวคือเมื่อเข้าสมาธิไปแล้วถ้าในใจยังมืดอยู่ก็จะไม่เห็นภาพอะไรเลยต่อเมื่อในใจสว่างภาพจึงจะปรากฏแสงสว่างที่ปรากฏในใจนั้นไม่ใช่แสงที่มาจากภายนอกแต่เป็นแสงที่เกิดจากสมาธิเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า ในสมัยใดสมาธิมีมากแสงสว่างก็มีมากในสมัยใดสมาธิมีน้อยแสงสว่างก็มีน้อยอันหนึง่งแสงสว่างที่เห็นในใจนี้บางทีก็อาจจะผสมกับแสงสว่างที่ออกมาจากภายนอกได้เพราะในขณะที่เรานั่งสมาธิแม้ว่าจะหลับตาแต่ถ้าภายนอกสว่าง แสงสว่างจากภายนอกก็จะผ่านเปลือกตาเข้าไปได้ขอให้สังเกตดูว่าถ้าเรานั่งสมาธิหลับตาอยู่ในที่มืดกับนั่งหลับตาอยู่ในที่สว่างแม้จะมีสมาธิดีเหมือนกันแต่ก็จะรู้สึกว่าแสงสว่างที่เห็นในใจนั้นผิดกันพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าอะโลกะสัญญา คือการกำหนดเห็นแสงสว่างในใจเป็นอุบายสำหรับแก้กความง่วงได้อย่างหนึง่งแต่นี่ต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าหมายถึงแสงสว่างที่เกิดจากสมาธิและข้อนี้จะใช้ได้ผลในการแก้กความง่วงก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเคยเข้าสมาธิเห็นแสงสว่างได้แล้วคือนั่งทีไรสามารถทำใจให้สว่างได้เสมอ หมายถึงเข้าสมาธิไปแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจสําหรับบุคคลที่สามารถทําได้เช่นนี้ในบางขณะถ้ารู้สึก ง, ง่วงในเวลาเข้าสมาธิก็ให้พยายามฝืนและพยายามเข้าสมาธินึกถึงแสงสว่างดังที่เคยเห็นมาแล้วถ้าสามารถทําให้แสงสว่างเกิดขึ้นมาได้ความง่วงก็จะหายไปในทันที และในเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆซึ่งภาพที่เห็นนั้นจะชัดหรือไม่ชัดก็ขึ้นอยู่กับแสงสว่างคือถ้าแสงสว่างมากภาพที่เห็นก็ชัดมากถ้าสว่างน้อยภาพที่เห็นก็ชัดน้อยอันหนึง่งในเรื่องของแสงสว่างนี้ขอได้โปรดสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าต้องการจะจำอะไรให้แม่นยำและจำอยู่ได้นานๆก็ขอให้พยายามทำใจให้เป็นสมาธิจนกระทั่งแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจงพยายามทบทวนหรือท่องข้อความที่ต้องการจะจำหลายๆครั้งนึกขึ้นมาให้ชัดถ้อยชัดคำถ้ายิ่งนึกให้เห็นเป็นภาพออกมาได้ก็ยิ่งดีเพราะจะช่วยให้จำแม่นยำขึ้น และถ้าหากฝึกแบบนี้บ่อยๆจนเกิดความชำนาญแล้วการท่องจำเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะจำไว้ได้นานมากเมื่อต้องการจะรื้อฟื้นความจำขึ้นมาถ้านึกอย่างธรรมดานึกไม่ออกก็ขอให้เข้าสมาธิไปเสียก่อนเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็จะนึกขึ้นมาได้เองถึงสิ่งที่ต้องการ แสงสว่างที่เกิดขึ้นในขณะที่ใจเป็นสมาธินี้นอกจากจะมีประโยชน์ในการช่วยกำจัดความง่วงนอนช่วยให้ความจำดีแล้วยังสามารถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายหลายอย่างเช่นในการรักษาโรคในการพยากรณ์เหตุการณ์อย่างนี้เป็นต้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะนำเอาไปเขียนในภายหลัง การเข้าสมาธิแล้วพยามนึกให้เห็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานี้จะเป็นเครื่องทดสอบถึงคุณภาพของสมาธิได้เป็นอย่างดีคนบางคนเวลานั่งสมาธิมักจะคิดอะไรเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งลืมตัวและเข้าใจว่าจิตของตนเป็นสมาธิดีเพราะสามารถนั่งได้นานๆ น, นั่งได้นิ่งๆ และก็รู้สึกว่าสบายคนประเภทนี้เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเลยใจของเขาว่างคนที่เป็นแบบนี้มีอยู่ไม่น้อยเลยและการที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรนั้นเขาไม่ได้โกหกเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะความคิดของเขาฟุ้งซ่านเสียจนกระทั่งไม่ทราบว่า ตัวเองคิดอะไรออกมาบ้างแบบเดียวกับคนที่นอนหลับแล้วก็ฝันเปะปะเรื่อยเปื่อยตื่นขึ้นมาแล้วจําไม่ได้และก็เข้าใจว่าตนเองไม่ได้ฝันคนที่เข้าสมาธิบางคนมีความฟุ้งซ่านแบบนี้และก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าสมาธิของตนเองดีฉะนั้นเพื่อให้รู้แน่ว่า สมาธิของตนดีจริงหรือไม่จึงควรจะลองนึกวาดภาพขึ้นมาในใจถ้าปรากฏว่าเห็นแต่เพียงภาพในความรู้สึกไม่ปรากฏออกมาจริงๆหรือเห็นแต่เพียงลางๆไม่ชัดก็หมายความว่าในเวลาที่ตัวเองนั่งสมาธินั้นใจของตัวเองอยู่ในความฟุ้งซ่านตลอด เป็นความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นจึงจำไม่ได้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านในเรื่องอะไรบ้างอันหนึง่งการนึกวาดภาพในใจนั้นถ้าภาพที่ปรากฏออกมาไม่ค่อยจะอยู่นานคือปรากฏอยู่ชั่วประเดียวเดียวแล้วก็หายไปประเดียวก็ปรากฏขึ้นมาอีกนี่แสดงให้เห็นว่า สมาธิไม่มั่นคงแต่ถ้าภาพปรากฏชัดและนิ่งอยู่นานตามความต้องการก็แสดงให้เห็นว่ามีสมาธิดีและมั่นคงด้วยขอได้โปรดจำหลักไว้อย่างหนึ่งว่าถ้ามีสติอยู่กับตัวทุกขณะจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านเลยและถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านก็หมายความว่าทุกขณะจิตที่เกิด ก็นึกอยู่แต่ภาพอันนั้นและสร้างภาพได้ติดต่อกันไปทุกขณะจิตคือแต่ละขณะจิตก็นึกถึงแต่ภาพอันนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตไม่วอกแวกจิตเป็นอิสระไม่มีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งถ่วงหรือดึงเอาไว้เมื่อจิตมีลักษณะอย่างนี้เวลานึกภาพอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภาพนั้นก็จะปรากฏชัด และเพราะเหตุนี้ทุกขณาจิตก็นึกแต่ภาพอย่างเดียวกันภาพจึงปรากฏอยู่ได้นานเป็นภาพนิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของสมาธิด้วยเหตุนี้การนึกวาดภาพในใจถ้าหากว่าคนไหนทำได้ดีจริงจึงเป็นเครื่องวัดให้เห็นถึงคุณภาพของสมาธิได้อย่างดีอันหนึง่ง ทุกขณะจิตที่เกิดในเมื่อจิตเป็นสมาธิวิบากของสมาธิก็ย่อมจะเกิดขึ้นในสันดานเช่นเดียวกับเมื่อใดความโกรธเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานวิบากของความโกรธก็คือความโกรธที่สะสมเอาไว้ซึ่งมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาอีกในเมื่อกระทบกับอารมณ์อย่างเดียวกับเมื่อก่อน วิบากของสมาธิที่สะสมขึ้นมาที่ละน้อยละน้อยนี้จะต้องพยายามสังเกตและทำความเข้าใจให้ได้คนที่เข้าสมาธิได้ดีและเข้าได้อย่างรวดเร็วนั้นเป็นเพราะเขาได้สะสมวิบากของสมาธิเอาไว้มากทำนองเดียวกันกับเมื่อเราอ่านหนังสือเล่มไหนหรือข้อความตอนใดบ่อย ทุกๆครั้งที่อ่านก็มีความเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะพบว่าความเข้าใจจะค่อยๆดีขึ้นโดยลำดับความเข้าใจที่เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ก็คือวิบากของความรู้ที่ค่อยๆสะสมขึ้นมานั่นเองและในเมื่อวิบากมมีมากแล้วก็จะพบว่าเราอ่านหนังสือได้รวดเร็วและเข้าใจดีด้วย โดยธรรมดาคนที่จะทำอะไรได้เป็นผลสำเร็จนานจะต้องหมั่นทำบ่อยๆไม่ทอดทิ้งการงานไม่มีความเบื่อนายและคนที่จะทำได้อย่างนี้ก็พระมองเห็นผลที่ตนได้รับอยู่เสมอเป็นผลที่ตนเองพอใจแต่ถ้าคนไหนทำอะไรแล้วไม่เห็นผลในที่สุดก็จะเกิดความเบื่อและเลิกทำ คนส่วนมากที่ไม่ค่อยสนใจในการฝึกสมาธิก็เพราะทําไปแล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นผลหรือว่าจะเห็นผลก็รู้สึกว่านานมากอดทนไม่ได้จึงได้เลิกแต่ความเป็นจริงในเวลาที่นั่งสมาธินานถ้าหากจิตจะสงบมีสติอยู่กับตัวแม้จะเพียงนาทีหรือสองนาทีก็แปลว่าเราได้ผลแล้ว และผลที่ว่า น, นี้ก็คือวิบากของสมาธิที่เกิดขึ้นในสันดานขอได้โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าวิบากอันใดก็ตามในเมื่อเกิดขึ้นในสันดานแล้วลบออกได้ยากมากถ้ายิ่งเป็นวิบากของกุศลซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราต้องการเราไม่ประสงค์ที่จะลบเอาออกเลยวิบากอย่างนี้ ถึงแม้ว่านานๆจึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็ตามแต่ถ้าลงว่ามันเกิดขึ้นแล้วแม้จะปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่มันทํามันก็ยังมีอยู่ในสันดานเป็นแต่เพียงว่าถ้าหากนานๆเราจึงจะทําสักครั้งหนึ่งหรือบางคนทําได้ดีแล้วแต่แล้วก็เลิกไปเป็นเวลานานเวลาจะเรียกขึ้นมาใช้มันออกมาช้าเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็จะพบว่าในที่สุดเราก็สามารถที่จะเข้าสมาธิได้อีกและเข้าได้ดีเหมือนเดิมสมมติว่าในชาติก่อนเราเคยได้ฌานมาแล้วต่อมาในชาตินี้เราเพิ่งจะมาหัดสมาธิในตอนวัยกลางคนหรือในวัยแก่ก็าตามก็จะพบว่าถ้าหากเราได้ฝึกฝนอย่างถูกต้อง และฝึกอย่างเดียวกับที่เคยทํามาแล้วในชาติก่อนเราอาจจะฝึกได้ช้าเพราะว่านานมาแล้วเราไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วในที่สุดเราก็จะสามารถเข้าสมาธิได้ดีเหมือนในชาติก่อนแต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่เคยได้ฌานมาเลยเพียงแต่ได้เคยฝึกสมาธิมาบ้างเมื่อเกิดมาในชาตินี้ แม้จะตั้งใจอย่างดีขยันในการฝึกและมีเวลาฝึกได้มากเท่าเท่ากับคนที่กล่าวมาแล้วก็ตามก็จะปรากฏว่าคนที่ไม่เคยได้ฌานมาก่อนไม่อาจที่จะฝึกสมาธิได้ดีเหมือนกับคนที่เขาเคยได้ฌานมาแล้วแม้จะใช้เวลาเท่ากันก็ตามฉะนั้นจึงขอให้จำไว้ว่ามิบากอันใดก็ตาม ถ้ารมว่าเกิดขึ้นในสันดานแล้วมันฝังอยู่นานมากแม้ตายไปแล้วเกิดมาอีกวิบากอันนั้นก็ยังอยู่ด้วยเหตุนี้จึงใคร่จะขอให้สังเกตจนกระทั่งแน่ใจว่าทุกครั้งที่เราสามารถทำใจให้สงบแม้จะเป็นเวลาเพียงชั่วขณะวิบากมันก็เกิดและวิบากอันนี้แหละคือสิ่งที่เราได้อยู่เสมอทุกขณะที่เราฝึกสมาธิ และมันก็จะมากขึ้นโดยลำดับในเมื่อเราหมั่นทำ บ, บ่อย มีแก้ความฟุ้งซ่านอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะใช้อยู่เสมอก็คือถ้ารู้สึกว่าจิตฟุ้งซ่านควบคุมไม่อยู่แล้วก็ให้เลิกฝึกสมาธิทันทีเพราะถ้าขืนนั่งอยู่ต่อไปมิบากของความฟุ้งซ่านก็จะมากขึ้นคนที่เข้าสมาธิทีไรใจฟุ้งซ่านเสมอนั้นเป็นเพราะมีวิบากของความฟุ้งซ่านอยู่ในสันดานมากฉะนั้น ถ้าหากเราไม่ปล่อยโอกาสให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นวิบากของมันก็จะไม่มีการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านเป็นผลเสียหายมากเพราะความฟุ้งซ่านที่สะสมขึ้นมาทีละน้อยละน้อยนานในที่สุดมันก็จะมากขึ้นได้เมื่อวิบากของความฟุ้งซ่านมีมากก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะแก้วิบากอันนี้ได้กว่าจะเข้าสมาธิได้ อย่าลืมว่าการฝึกสมาธิก็คือการฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวทุกขณะถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้เพราะใจฟุ้งซ่านก็ให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเสียงานอันใดในเมื่อเราทำแล้วรู้สึกว่าควบคุมสติให้อยู่กับตัวได้ง่ายเพราะเป็นงานที่เราพอใจเป็นงานที่เราถนัดในขณะที่ทำ ใจก็อยู่กับงานนี้เสมอการทำงานซึ่งจะเป็นงานอะไรก็ตามถ้าสามารถทำใจให้อยู่กับงานได้ตลอดใจไม่ฟุ้งซ่านมีสติอยู่กับตัวเสมออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิเหมือนกันการปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปตามอารมณ์สร้างวิมานในอากาศการประพฤติแบบนี้คนส่วนมากชอบทำกัน และยิ่งคนไหนมีเวลาว่างมากไม่ค่อยมีเหตุการณ์บังคับให้ต้องทำงานอยู่เสมอก็ยิ่งจะปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านมากขึ้นคนประเภทนี้ในเวลาแก่แล้วจะพบว่าแม้จะมีเวลาฝึกสมาธิมากอย่างไรก็ตามก็จะฝึกไม่ได้และเมื่อฝึกไม่ได้ในที่สุดก็จะเบื่อไม่คิดที่จะฝึกสมาธิ และส่วนมากก็เป็นโรคประสาทและต้องจมอยู่กับความทุกข์เกือบตลอดเวลาควบคุมใจตัวเองไม่ได้อันหนึ่งขอให้สังเกตไว่อย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นโรคประสาทย่อมมีอาการอย่างหนึ่งเหมือนกันทุกคนคือความคิดซ้ำซากจะคิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องเก่าๆและเรื่องที่คิดก็คือเรื่องที่ทาให้ไม่ค่อยสบายใจ ทำให้จิตใจตกต่ำปัดออกไปไม่ได้ทั้งที่ตั้งใจจะไม่คิดอย่างนี้แต่ก็อดไม่ได้สมมติว่าจะมีใครสักคนหนึ่งทั้งที่รู้อยู่ว่าเอามือจับเหล็กที่ตรงนี้ทีไรมันร้อนทุกทีแต่ก็อดจับไม่ได้ทั้งที่ไม่อยากจะจับถ้าท่านไปเห็นใครมีลักษณะอย่างนี้ก็ขอให้จาไว้ว่า คนที่เป็นโรคประสาทก็คือคนที่ฝังตัวอยู่กับความนึกคิดแบบเดียวกันกับคนที่จับเหล็กที่ร้อนปล่อยวางไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะตัวเองได้สร้างวิบากของความฟุ้งซ่านไว้มากอำนาจในการบังคับใจตัวเองมีไม่พอเพราะไม่เคยฝึกสมาธิไม่ได้สะสมวิบากของสมาธิเอาไว้จึงต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้ อันหนึอย่าลืมว่าคนที่มีสมาธิก็คือคนที่มีอำนาจบังคับใจตัวเองได้ควบคุมใจตัวเองได้และอำนาจที่ว่านี้จะต้องเกิดขึ้นทุกขณะในเวลาที่มีสติอยู่กับตัวการฝึกสมาธิก็คือการฝึกเพื่อให้มีสติอยู่กับตัวการฝึกสมาธิไม่ใช่มีอยู่แต่เพียงวิธี ที่ต้องนั่งหลับตาทำใจให้เป็นสมาธิไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้เท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการฝึกสมาธิความจริงวิธีฝึกสมาธิมีมากมายเช่นในขณะที่เราพูดหรือในขณะที่เราฟังคนอื่นพูดหรือในขณะที่จะเขียนห น, นังสือจะอ่านหนังสือจะปลูกต้นไม้จะเดินเล่น หรือจะทำงานอะไรก็ตามถ้ารู้ตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรถ้ามีสติอยู่กับตัวเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิทั้งสิ้น